จเจริญพรโยมวันนี้เยอะมากนะนี่เป็นชัยชนะของธรรมะนะเราไม่ต้องมีคอนเสิร์ตให้ดูคนก็มาฟังธรรมะมีคนเข้าวิจัยบคนที่ฟังธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวส่วนมากเป็นมนุษยนเงินเดือนส่วนมากจบปริญญาตรีขึ้นไปอย่างเงี้ย มีงานวิจัยด้วยนะ <c oughs> คนอื่นทำนะหลวงพ่อไม่ได้วิจัยหรอกเ <c oughs> มื่อก่อนก็ททำวิจัยแต่ว่าเด่นนี้เลิกแล้วไม่อยากสนใจ <c oughs> มันมีงานวิจัยที่สาคัญกว่านั้นอีกคือวิจัยธรรมะเรียกว่าธรรมะวิจัย ะ, ะพวกเราต้องวิจัยธรรมะนะ <c oughs> วิธีวิจัยธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายกับใจนี้ วิธีวิจัยธรรมะก็มีสตินะมีสัมมาสมาธิเครื่องมือมีสองตัวพอมีสติแล้วมีสัมมาสมาธินมันจะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นอะไรหรอกเห็นความจริงของกายของใจนี้แล้กายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเราเข้าใจความจริงของกายของใจมันจะสลัด ความยึดถือกายยึดถือใจทิ้งมันจะไปเห็นความจริงอีกชนิดหนึ่งความจริงที่ไม่มีความปรุงแต่งมีแต่ความสงบมีแต่ความสันติเพนะงั้นพวกเราศึกษาธรรมะไปรือละวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขนะไม่ใช่ว่าต้องศึกษานานแค่พอสติเริ่มเกิดขึ้นมานะสติตัวจริงเกิดนะี่เราก็จะเริ่มมีความสุขเป็นลำดับลําดับไป พอสติเกิดมาก็มีความสุขล้มีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาในใจเราเป็นระยะระยะความสุขอันนี้ไม่อิงอาศัยสิ่งใดเลยนะเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีเหยื่อล่อเป็นะความสุขที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในตัวเองนะคือจิตซึ่งมันมีสติขึ้นมาเรียกว่าจิตมันรู้สึกตัวมีเรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้ตื่นจิตเป็นผู้เบิกบาน เนี่ยเราจะค่อยๆฝึกนะจนสติเกิดแล้วจิตของเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาต่อไปใจเราก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นในการเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจทําตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปพลุกอยู่กับตัวอารมณนะ์จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันเพราะนั้นโลกาธาตุชาวันไหวสะเทือนแผ่นดินไหวน้ําท่วมอะไรนะหรือใครเขาจะเป็นยังไงขึ้นมาร่างกายจิตใจนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย มันไม่กระทบกระเทือนเข้ามาใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูดดขึ้นมามีความตั้งมัง่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิมันจะมีความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกแบบหนึง่งต่อไปพอเราภาวนามากเข้ามากเข้าตามรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้ามันเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปเวลาที่จิตเกิดความเข้าใจธรรมะขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวนี่มันจะมีความสุข มีความสุขอยู่หลายวันมันคล้ยๆเข้าใจแล้วเข้าใจละแต่ความเข้าใจก็จะลึกซึ้งเป็นลําดับไปนะอย่างเบื้องต้นก็เข้าใจว่าเออทุกอย่างมันชั่วคราวเห็นแต่ทุกอย่างมันชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับนะบางทีก็เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันเข้าใจขึ้นมาเองจากการเจริญสติตรงที่มันเข้าใจขึ้นมาเองนะมันจะมีความสุขหลายวัน แต่ก็ไม่เกิดอาทิตย์หนึ่งนะมันก็เสื่อมไปอีกพอมันเสื่อมไปแล้วก็คล้ายๆภาวนาช่วงนี้มีผลงานแล้วก็จะขยันภาวนาอีกช่วงหนึ่งนะภาวนารู้กายรู้ใจด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเรื่อยๆไปต่อมาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นอีกก็มีความสุขขึ้นมาอีกเป็นระยะระยะไปคล้ายๆมีผลงานสมัยก่อนหลวงพ่อเวลาจะไปหาครูบาอาจารย์นะช่วงไหน เพิ่งมีผลงานใหม่ๆแล้วได้เวลาไปหาครูบาอาจารย์นะแหมมันปลื้ม อ, อกปลื้มใจนะในช่วงไหนแม่มีผลงานนาแล้วมีแต่เจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจเฉยๆไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรไม่รู้จะเอาอะไรไปถวายท่า น, นไปหาท่านนะใจเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนิดหน่อยนะแต่ความรู้ความเข้าใจในธรรมามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้ารู้กายรู้ใจบ่อยๆ จิตใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเนี้ยถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นความจริงเป็นปัญญาขั้นสูงสุดเลยปัญญาขั้นสูงสุดในทางศาสนาพุทธเนี่ยคือเราจะเห็นว่าขันนี้เป็นตัวทุกเห็นขันห้าเป็นตัวทุกแล้วขันห้าตัวสุดท้ายที่เราเห็นว่าเป็นตัวทุกนั่นคือจิตนั่นเองตัวอื่นๆเนี่ยเห็น เห็นก่อนตัวรูปตัวอะไรอย่างนี้เห็นง่ายแต่ตัวจิตนี่เห็นยากมากว่าเป็นตัวทุกข์เพราะจิตของเราเมื่อภาวนามากเข้ามากเข้าเนี่ยมันเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่จะเห็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นตัวทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าสติปัญญาไม่แก่กล้าพอจะไม่เห็นเราจะเห็นแต่ว่าจิตนี้ไม่มีความอยากจิตนี้ไม่มีความยึดจิตนี้ไม่ดิ้นรนจิตนี้มีแต่ความสุข ถ้ามื่ไรจิตมีความอยากเมื่อไร่จิตมีความยึดเมื่อไรจิตมีความดิ้นรนเมื่อนั้นจิตใจมีความทุกข์นะแต่พอภาวนามากๆเนี่ยจิตไม่อยากไม่ดิ้นรนนะไม่แส่สายออกทางตาหูจมูกลินกล้นกายมันประคับประคองรักษาตัวของไม่เองอยู่โดยที่ไม่ได้จงใจรักษาส่งตัวอยู่เป็นผู้รู้อยู่อย่างนั้นเองทั้งวันทั้งคืนนะจิตไม่เศร้าหมองไม่เสื่อมนี่เรียกว่าจิตเรามีสัมมาสมาธิมีสมาธิแก่รอบลนะ้มีสมาธิบริบูรณ์ จิตที่มีสมาธิบริบูรณ์เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีเพราะนั้นพระอนาคามียังไม่เห็นความจริงของอริยสัจ ท, ทั้งหมดยังไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ต้องภาวนาต่อไปอีกเรื่อยๆส่วนใหญ่มาถึงตรงนี้แล้วจะนิ่งนอนใจนี้หลวงปู่ดูลเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกที้งนะท่านบอกว่านักภาวนาส่วนมากนะที่มีชื่อเสียงอะไรเียส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ท่งนี้ใช้คาว่าผีใหญ่ ผีใหญ่นี่ก็ต้องไปดูนิยามผีใหญ่ของท่านผีใหญ่ของท่านคือพวกพรอมนั่นเองไปอยู่พรอมมรรคจะเป็นพระอนาค า, าปปมนะ ก, ก, าก็ไปเป็นพรอมนะองค์ไหนอินทรีย์แก่กล้าด้วยก็ไปเป็นพรอมสุดถาวรและอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็เป็นพรอมทั่วๆั่วไปพระอนาคามไม่ใช่ว่าต้องเกิดในสุดธาวารเสมอไปนะเกิดในปรอมโลกตั้งแต่ชั้นปุโรหิตานขึ้นไปได้ เนี่ยจิตใจยากมากเลยที่จะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์แต่ว่าถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกอย่างหลวงพ่อเคยได้ยินหลวงปู่ดูลบอกบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะพบจิตต้องทำลายจิตอีกทีหนึ่งอย่าไปยึดมันไว้ถ้ายังยึดอยู่ยังไม่จบหรอกเนี่ยเราเคยอาศัยว่าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมาเราก็เวลาภาวนา จิตใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจมันยังรู้ว่ามีทางไปต่อนะถ้าไม่เคยฟังเนี่ยไปต่อยากไม่รู้จะไปยังไงก็เห็นว่ามันดีมันวิเศษที่สุดแล้วอยู่กับตัวจิตผู้รู้มีแต่ความสุขทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกตรงนี้คล้ายๆเราจะไปหาเหมืองทองนะไปหาเหมืองทองเราจะไปนิพพานแต่เราไปเจอร้านทองแถว ย, ยวาวราชเข้าละ เหมือนได้เป็นผ้านาคาแล้วจะไม่ไปต่อส่วนใหญ่อาศัยว่าได้ยินได้ฟังธรรมะมาแล้วไม่นิ่งนอนใจนะคอยรู้ลงไปอีกในจิตในใจนี้เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นไหมที่ว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะบางวันก็ไม่เบิกบานบางวันก็ไม่ตื่นทีเดียวมองๆ ม, มัวๆได้นี่ยมันไม่เที่ยงนะแล้วก็เห็นอีกตัวผู้รู้นี่ก็ยังถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะต้องมีสติมีปัญญานะ คอยระวังรักษาไว้ขาดสติขาดปัญญานั้นก็เศ้ามองไปได้อีกมีงานต้องทำมันยังถูกบีบคั้นอยู่แล้วก็ยังเป็นที่พึ่งที่สําคัญมั่นหมายจะเอาเป็นที่พึ่งที่สําคัญมั่นหมายเป็นที่ยึดถืออยู่เนี่ยสุดท้ายเลยมันจะไปยึดถือจิตอยู่ตะวันใดสติปัญญาแก่รอบนะเห็นจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเลยบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกเสียดแทง บางขัน้นท่านเห็นว่ามันเป็นทุกขนะ์เพราะมันไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นทุกข์เพราะอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตา บ, บ้างนะก็จะสลัดคืนจิตให้โลกไปงั้นการภาวนาเนี่ยให้เรารู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆการภาวนาไม่มีมากกว่าการรู้กายรู้ใจนะพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานไปดูในสติปัฏฐานให้ดีในสติปัฏฐานเนี่ยมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจ กายานุปัสสนาท่านสอนให้รูก้กายเวทนานุปัสสนาเป็นส่วนของนามธรรมนะจิตานุปัสสนาคือความเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายของจิตนะก็เป็นนามธรรมในธรรมานุปัสสนานะมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจะเห็นกระบวนการทำงานของของจิตอนยะ่างกระบวนการทำงานคืออริยสัจนะเห็นกระบวนการของโพชฌงเห็นกระบวนการของนิวรนะ์ เนี่ยทำมานรืปภาสนานะเห็นการทำงานของรูปธปรรมนามธรรมเนี่ยต้องรู้อยู่ที่กายที่ใจที่รูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ลงไปให้เห็นไตรลักษณ์ตั้งเป้าการภาวนาตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ถูกหลักอย่าตั้งเป้าว่าเราจะเอาความสุขอย่าตั้งเป้าว่าเราจะเอาความดีอย่าตั้งเป้านะแค่ความสงบ ถ้าตั้งเป้าแค่เอาความสุขความดีความสงบนี่เรียกว่ามักน้อยเกินไปเราจะต้องตั้งเป้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุท ธ, ธะแบบว่ารูนะ้เป้าหมายของการปฏิบัติของเราก็คือการได้รู้ความเป็นจริงของกายของใจความจริงของเข้าคือไตรลักษณ์อย่าไปดูความจริงอย่างอื่นต้องดูเป็นไตรลักษณ์อย่างเราดูร่างกายต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงนะร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นวัตถุธาตุ มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเรานี่ต้องเห็นอย่างนี้นลาพังเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาอะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์จะได้แค่สมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจหรือดูจิตดูใจต้องดูให้เห็นเลยจิตมันไม่เที่ยงจิตมันเกิดดับหยุดตลอดเวลาจิตมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอย่างเราจะสั่งจิตให้เป็นกุศลก็ไม่ได้ห้ามจิตไม่ให้เกิดอกุศลก็ไม่ได้ สั่งให้มันสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทุกข์ก็ไม่ได้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเราจะคลายความยึดถือมันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันคลายความยึดถือเมื่อคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะงั้นเราภาวนานะต้องรู้ลงที่กายที่ใจรู้ไปจนเขาพอ รู้ลงไปจนเขาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบางคนใจร้อนอยากพ้นทุกข์เร็วๆนะพอมารู้กายพอมารู้ใจนะปัดการรู้ทิ้งไปเลยเอาความว่างแทนอย่างมีกิเลสไหวขึ้นมาในจิตแวบเนี่ยแทนที่จะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับก็ปัดมันทิ้งไปเลยไปเพ่งใส่ความว่างไว้เลยนะอันนี้ทำไม่ถูกนะผิดหลักนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนเอาการดูจิตนะไปเผยแพร่ต่อนะฟังหลวงพ่อไปแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อ สอนสอนกันมีเริ่มคลาดเคลื่อนแล้วเรายังไม่ทันตายเลยนะเริ่มแตกนิ่กายต้องรู้ลงมาที่กายที่ใจนะนะต้องรู้ขันห้างนะไม่ใช่รู้ความว่างนะบางคนไปพาวนาไอ้น่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะเจออะไรขึ้นมาลบทิ้งไปหมดเลยปัดทิ้งปัดทิ้งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรเสร็จแล้วมันจะไปยึดความไม่ยึดอะไรมันจะไปเอาความไม่เอาอะไรนะ อันนั้นก็คือพบอีกชนิดหนึ่งซึ่งละเอียดประนีตขึ้นไปอีกดูยากที่สุดเลยอาวนาแล้วก็ไปยึดอยู่ในความว่างไปเพ่งอยู่ที่ความว่างอันนั้นเป็นเส้นทางเดินของอรูปปรลมอรูปปภลมไปเพ่งความว่างเรียกว่าอากาศานัญายตนะเพ่งจิตเพ่งจิตให้เฉยเยเรียกวิญญาณัญายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกอากินจัญญ ย, ยตนะ นัไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือการรู้ทุกขคือการรู้กายรู้ใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจเรารู้ทุกได้เราต้องรู้สึกตัวนะข่าวก่อนที่หลวงพ่อมาเดือนก่อนพูดเรื่องความรู้สึกตัวเดือนก่อนหรือเปล่าไม่ใช่อ่อสองเดือนมาแล้วนะวันนี้ได้ข่าวว่าเขาแจกหนังสือนะที่เทนเมื่อสองเดือนก่อนเป็นเรื่องความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ภาวนาไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวได้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะ ที่เรียนเรียนกันอยู่นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะยกเท้ายั่งเท้าก็ได้นะจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเจียนก็ได้อะไรก็ได้นะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้เท่งนั้นเลยถ้ารู้สึกตัวเป็นพอรู้สึกตัวมันก็จะเห็นกายเห็นใจพอเห็นกายเห็นใจเนืองเนืองไปต่อไปก็เห็นความจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เห็นซ้ําๆๆนะเห<น>็นทีแรกจิตยังไม่ยอมรับความจริง เรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีงนะั้นบางคนพอเกิดสติขึ้นมาใจตั้งมั่นมาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเห็นขันห้าแตกตัวออกไปนะกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะสภาวะทั้งหลายทั้งหลายนั้นกระจายตัวออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาเห็นแล้วไม่มีตัวเราพอเห็นว่าไม่มีตัวเรานะทนไม่ไหวจิตใจเนี่ยวันไหวขึ้นมาตัวเราหายไปแล้ว ถ้าตัวเราหายไปแล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรตัวเราหายไปซะแล้วนะงั้นจะตกใจนะบางคนมาถึงตรงนี้ตกใจบางคนกลัวบางคนรู้สึกวงโวงหวงเวงิวง้วงวางเนี่ยตัวเบาแหวนทั้งนั้นเลยนะวิววิวนะเนี่ยมันจะรู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนรู้สึกเบื่อนะนี่เป็นสภาวะซึ่งจิตมันยังไม่ยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีสานะมารถเราอดทนนะสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราตามรู้ลงไปอีกมันเบื่อรั่วเบื่อ นะมันกลัวรู้ว่ากลัวมันรู้สึกหวงหวงหาที่พึ่งไม่ได้รู้ว่ามันหงงๆงไปนะรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจนี่แหละรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยๆไปนะพอรู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปใจมันเป็นกลางขึ้นมาไม่จะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอะกุศลก็ชั่วคราวตัวเราไม่มีหรอก เนี่ยเห็นไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันไม่มีตัวเรานะเพราะว่ากายนี้ใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นว่าตัวเราไม่มีอย่างถ่องแท้จิตยอมรับความจริงไม่กลัวแล้ว ต, ตรงที่จิตยอมรับความจริงเนี่ยจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันจะรวมเองนะกระทั่งคนซึ่งไม่เคยทําฌานทําฌานไม่เป็นไม่เป็นไรจเจริญสติไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดนั้นมันจะเกิดฌานขึ้นอัตโนมัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป เป็นเองนะโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเข้าฌานจิตมันรวมปุ๊บเข้าไปเองเลยเสร็จแล้วกระบวนการของอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นต้องค่อยเอานะค่อยฝึกเอาหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะโยมสนใจการภาวนาชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โลกนี้เต็มไปด้วยความแปรปรวนโลกนี้หาที่พึ่งที่อาศัยจริงๆไม่ได้เลยนะคนใดไม่มีธรรมะนะก็ เ, เคว้งคว้างเหมือนเรือไม่มีหางเสือ ล่แหลมที่จะล่มจมลงไปคนใดมีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตใจอยู่คอยมีสติรู้ทันใจตัวเองนมันเหมือนเรือมีหังเสือนะฝ่าคลื่นฝ่าลมยังมีทางรอดพวกเราแต่ละคนอยู่กับโลกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์สังเกตดูโลกมันไม่เคยหยุดนิ่งนะโลกไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยสำรวจชีวิตของเราดูในชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ สิ่งใดที่เราเรียกว่าความสุขมากที่สุดนะลองทบทวนดูสิ่งที่เรียกว่าความสุขมากที่สุดก็ล้วนแต่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นนะมีขึ้นมาแล้วก็หายไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเราก็ดิ้นรนค้นคว้ามานะได้ความสุขมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแล้วเนี่ยทั้งโลกเป็นอย่างนี้นะปัญหาเนี่ยวิ่งเข้ามากระทบตัวเราเหมือนคลื่นในทะเลวิ่งกระทบเรืออยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลย หมดปัญหานี้ก็มีปัญหาโน้นรออยู่บางทีมาหลายๆปัญหาพร้อมกันนะทนไม่ได้เป็นบ้าไปทนไม่ได้ฆ่าตัวตายไปนะเนี่ยเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยหุ้นจะตกใช่ไมน้ำมันจะขึ้นอเงี้ยข้าวจะแพงเรื่องเครียดๆทั้งนั้นเลยรถติดเนี่ยแค่มาฟังธรรมก็ต้องแย่งกันแทบตายเครียดนะ จะได้จอด ร, รถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะเอารถไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่เรื่องเครียดทั้งนั้นเลยนะชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดชีวิตเต็มไปด้วยความทุกขนะ์เราอยู่บ้านดีๆนะเห็นมบางทีก็ถูกเวรคืนนะเดี๋ยวก็โดนเรื่องโ น, น้นเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ลูกติดยาอนะไรเงี้ยเดี๋ยวแฟนมีกิก๊กนะดูสิชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเงินเดือนเยอะไปเขาก็ให้ออกจากงานใช่ไหม มันนุ่นเงินเดือนทั้งหลายนะเพนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่แน่เลยบางคนทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะวันดีคืนดีเป็นมะเร็งไปอีกละคนเป็นมะเร็งเยอะนะทุกวันนี้เยอะมากเลยเพราะว่าพิษมันเยอะนะอาหารก็เป็นพิษอากาศก็เป็นพิษน้ําก็เป็นพิษนะจิตใจก็เป็นพิษทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยเพะฉั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่แน่นอนหัดเจริญสติไว้หัดรู้กายหัดรู้ใจตัวเองบ่อยๆ มันจะเกิดภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาวันใดที่ความทุกข์มันโผล่ขึ้นมาถึงจิตถึงใจเราเนี่ยสติปัญญานี่แหละเป็นธรรมะที่จะช่วยเราความทุกข์ปุดขึ้นมาป๊บสติเห็นปั้มขาดสะบั้นลงไปเลยจิตเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางนะจิตใจตั้งมั่นค่อยๆ ค, คิดแก้ปัญหาเอาสติเอาปัญญาไปคิดแก้ปัญหาเอาต้องค่อยๆฝึกนะฝึกแล้วมีประโยชน์จะอยู่กับโลกก็มีประโยชน์ จะอยากได้มรรคผลนิพพานต้องการมรรคผลนิพพานก็มีประโยชน์ฝึกอย่างเดียวกันนั่นแหละขั้นแรกถือศีลไว้ก่อนเอาแค่ศีลห้าก็พอแล้วมีศีลห้าไว้ศีลห้าเป็นมาตรฐานขั้นต่ําของมนุษย์พอมีศีลห้าแล้วก็หัดเจริญสตินะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีศีลเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีสัมมาสมาธิเมื่อไรมีสติมมสเมื่อ น, น, ามมานั้นจะมีปัญญาใจตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นไป ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาค่อยๆหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโต ว, วันหนึ่งเหมือนต้นไม้โตเต็มที่แล้วออกดอกออกผลนะให้ความชื่นอกชื่นใจกับเราค่อยฝึกแล้วตัวเองมีความสุขคนที่หนึ่งเลยคนตลำดับต่อไปคือคนแวดล้อมเราคนในบ้านเราถัดไปก็คนที่ทางานหรือคนที่รู้จักเราต่อไปก็จะมีคนคอยมาปรึกษาเรานะ พวกเราถ้าทางมีความสุขพวกมีความทุกข์ทั้งหลายก็จะวิ่งมาถามโน่นถามนีนะ่เราก็ต้องคอยดูใจเรานะในเวลาตอบต่อไปตอบมาม า, มานะอัตตาเกิดนะกูเก่งขึ้นมาอีกแล้วมึงไม่เก่งกูเก่งนะใช่หไหมกิเลสนะมันคอยหาช่องตลอดเวลาต้องระมัดระวังต้องมีสติต้องรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อว่าวันนี้เทศนานแล้วนะทำไมมัน15นาทีมาเทศที่นี่นะไม่ได้เกิด15นาที เพราะอะไรที่นี่คนเยอะมากจิตใจเนี่ยจะตั้งมั่นในการฟังธรร ม, มประมาณ15นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นจะเริ่มวอกแวกแล้วไม่เหมือนเทศที่วัดนะเทศครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เทศที่นี่ควนจะวอกแวกวอกแวกใจใส่ไปใส่มามีสมาธิในการฟังประมาณ15นาทีเรียกว่าสมาธิสั้นไหมสิบห้นาทีสมาธิไม่สั้น สมาธิแท้ๆเกิดทีละขณะจิตเดียว <c oughs> นี่ตั้งส5้านาทีไม่น้อยนะ <c oughs> หัดรู้สึกตัว15บนาทีสิน่าทึ่งเลยหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยวันๆนึงเอาเวลาไปล้างผลานซะเยอะแล้วลองใช้เวลาวันละ15นาทีนะมันคอยรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยดูเล่นๆดูสบายๆไปเรื่อยต้องทำเล่นๆนะอย่าทำเคร่งเครียด ฝึกเล่นๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรืยเราจะเห็นเลยใจนี่ลอยแวบแวบทั้งวันเดี๋ยวหนีไปโน่นเดี๋ยวหนีไปนี่สายไปสายมานะให้เรารู้ทันนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันคอรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อย ๆ, Rey, ๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ utan, แล้วจิตก็ยินดีขึ้นมาบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ seafood, แล้วจิตยินร้ายบ้างเนื้อกระทบไปแล้วจิตแกว่งไปแกว่งมาค่อยรู้ไปได้่อยต่อไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลชั่วคราวทั้งหมดเลยนะเอาวันนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะใครจะคุยเชินนี่เทศยาวแล้วนะตอนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะไปบอกท่านว่าจะเรียนปฏิบัติท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงแล้วท่านก็เทศสองสามประโยคแล้วนะ การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหม <laughs> เข้าใจครับเข้าใจเออไปได้ละความ <laughs> จริงไม่เข้าใจหรอกท่านถามแล้วมันปลืม้มะพอปลื้มใจบอกเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกะตอนหลังได้หลักนะพอท่านถามว่าเข้าใจไหมจะบอกยังไม่เข้าใจแต่จะจํำมาไว้นึกว่าท่านจะพูดต่อเออจําไว้นะไปได้ละ <laughs> ทำไมให้ไปเรื่อยเลยไม่บอกอยู่คุยกันก่อนสนะิเพราะว่าเวลาเป็นของจำกัดนะเวลาเป็นของจำกัดแทนที่เราจะเวลาไปนั่งคุยนานๆนะท่านให้เอาเวลาไปภาวนาดูของเราไปเลยนะตั้งแต่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนมานะไม่เคยหยุดการภาวนานะตามรู้กายตามรู้ใจของเราอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะ่ยยกเว้นเวลาที่ทำงานเวลาทำงานที่ต้องคิดมันดูไม่ได้ ทำงานก็จดจ่ออยู่กับงานไปพอจิตเกิดกิเลแสแทรกขึ้นมาเราก็คอยมีสติรู้เอานะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะทำไปอย่างนี้ยกเว้นเวลาที่ทำงานแต่ตอนทำงานแล้วถ้ากิเลแสแทรกนะเราก็คอยรู้เอานี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่ช้าหรอกกราบนกะนะนะนะนะสมการหลวงพ่อนะครับออตื่นเต้นมากนะครับหลวงพ่อน่าจะตื่นเต้นกว่านะคนมามองหลวงพ่อเยอะเลย <laughs> คือเขาให้แล้วเคยไปกราบหลวงพ่อที่ที่ศรีราชานะครับแล้วหลวงพ่ อ, อาพาดูจิตที่หนีไปคิดนะครับคืออยากถามว่าจริตอย่างกับผมเนี่ยควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่นะครับของคุณดูจิตไปเลยนะของคุณมันเป็นคนช่างคิดเป็นพวกทิตถีจริตพวกช่างคิดน่ยดูจิตใจข้งตัวเองไปเลยแต่ว่าอาศัยร่างกายมาช่วยบ้างบางครั้งจิตมันไม่มีกําลังที่จะดูจิตก็ามาดูกาย และ้นเวลาภาวนาก็ดูกายบ้างดูจิตบ้างแต่ว่าไม่ได้จงใจดูหรอกสติะระลึกรู้กายก็รู้กายไปสติะระลึกรู้จิตก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยเื่เราจะเห็นเลยเขาทํางานของเขาเองเดี๋ยวเขาไปรู้กายเดี๋ยวเขาไปรู้จิตเนี่ยเรียกว่าเรารู้ทันจิตของเราเองอแล้วอย่างงี้ผมจะใช้ลมหายใจกับหรือว่าอย่า<ส>อย่าไปเล่นลมนะของคุณติดลมแล้วสวดอิติปิโสได้หรือเปล่าครนะับสวดอิติปิโสได้หรือเปล่าครับลองสวดให้ดูซิ อ่ะส่วนในใจนะครับก็ส่วนในใจสิเนี่ยสวดไปนะเราก็เห็นแม้ใจสใสไปใสมานะเราไม่ได้สวดให้ใจนิ่งนะเราสวดเป็นแบกกล่าวเพื่อจะดูจิตเวลาเราทํากรรมฐานใดๆก็ตามนะทุกคนนะหากรรมฐานอันหนึ่งเข้ามาทําอะไรก็ได้ที่คุ้นเคยที่ทำแล้วสบายใจแต่ทําแบบเป็นแบกกล่าวแบกกล่าวนั้นงานหลักจริงๆให้รู้จิตตัวเองหรือรู้กายตัวเองไป แล้วแต่ถนัดรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้แต่อาจจะเอาพุทโธหรือเอาลมหายใจเอาท้องพองยุบอะไรเงี้ยรู้เป็นแบ็คกราวไปอ๋อยังไงใช่ใช่โดนคุณซึมไปซึมไปนะคุณไปเดินจงกรมไปอะไรเงั้ยกระดูกกระดิ่ไว้ไม่ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้นะจิตมันติดสมถะเออแล้วขอไอ้ทาถามนะครับปลุกใจคึกคักนี่ทํำยังไงนะครับอะไรนะไม่ได้ยินปลุกใจคึกคักนะครับแล้วหาภรรษาใหม่ๆมายั่วใจบ้างนะ อย่างคนภาวนานะบางคนมีอยู่คนหนึ่งรู้จักมาหลายปีผู้หญิงนะแกรวยด้วยแกไม่ได้เด็ดแล้วเรื่องทํามะหากินเผาวนาทั้งวันเลยลใจก็นิ่งๆสืบๆอย่างนั้นแหะหลวงพ่ออายุบอกให้ไปภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ไปภาวนานะกลับมานะมาบอกหลวงพ่อเลยว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกแต่ก่อนนี้เพ่งเอาไว้จิตนิ่งๆพอไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ไหมมันกลัวนี่ตรงนี้เพราะว่าผีดุตรงนี้ไอ้นี่ดุไอ้น่นดุเห็นไหม ใจนี่ใส่ไปใส่มาใจหาที่พึ่งไม่ได้พอจิตใจหาที่พึ่งไม่ได้ต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งคอยดูของตัวเองไว้ก่อนที่จะสติแตกวิ่งลงจากเขามานะเนี่ยคอยฝึกดูอย่างนี้แนละ้วปรากฏจะดูเป็นเลยแล้วมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับของคุณหน้าไปเคลื่อนไหวไว้แล้วหาผัสสะอะไรที่มันสดสดร้อนรแปลกแปกใหม่ๆนะมากระทบบ้างแล้วจะได้ดูใจที่มันกระเถินขึ้นมาอย่าให้มันนิ่งนิ่งเกินไปกอขอบพระคุณครับ กรับาบนมรสการหลวงพ่อนะครับคือตัวกับผมนี่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบปีครับแล้วก็พร้อมกับปฏิบัติไปด้วยแล้วแต่ว่าผลการปฏิบัติก็คือสามารถรู้จิตได้บ้างแต่การนี้รู้ไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับือมันรู้เองเหรอจิตเนี่ยหือจงใจรู้ล่ะถ้ามันรู้เองก็ใช้ได้นะเห็นกิเลสไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็เห็ น, เ ห, นเห็นบ้างครับหรจริง ถ้ายิ่งเห็นกิเลสบ่อยนะก็ยิ่งภาวนาดนะีแสดงว่าสติเกิดบ่อยบางคนกลัวกิเลสอย่าไปกลัวกิเลสบางคนกลัวกิเลสแล้วก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆไว้ทั้งวันอย่างนั้นไม่ดีนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจมันกระเทือนไปแล้วเรามีสติตามรู้ใจที่กระเถือนนะเช่นตามองเห็นเนี่ยเห็นสาวจิตมันยินดีขึ้นมาเกิดราคะเรารู้ทัน เห็นสาวคนนี้แล้วก็ยกมังเอกให้จิตเกิดยินร้ายมีโทสะขึ้นมาให้รู้ทันนะเนี่ยต ก, กระทบอารมณ์ไปแล้วก็คอยรู้สึกไปอ่าแล้วจริตอย่างกับผมนี่เหมาดจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือเปล่าครับไม่หมาะหรอกนะถ้าหายใจเดี๋ยวซึมประดุ ก, กดิกไว้เคลื่อนไหวไว้เดินจงกรมอะไรเงี้ยหรือทําอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้รดกระดุกดิกไปกระดุกกดิกอย่างท่าน14จังหวะไม่เป็นเราบัญญัติกระบวนท่าของเราเองก็ได้ นะเออแต่อย่าให้ซ้ำซากนะถ้าทําอะไรซ้ําๆแล้วเดี๋ยวก็จะซึม ง, ง่ายนะครับแล้วอย่างสมถะนี่อย่างสำหรับกระผมนี่จําเป็นต้องทําบ้างหรือเปล่าสมถะจําเป็นนะทุกคนแหละสมถะจําเป็นแต่ว่าจําเป็นเป็นที่พักผ่อนของจิตการทําสมถะที่ง่ายๆเนี่ยไปไหว้พระไปสวดมนต์นะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่าน คิดถึงทานของเราที่ได้ทําแล้วคิดถึงศีลของเราที่ได้รักษาแล้วอันนี้เรียกว่าอนุสติทั้งหลายเนี่ยคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดถึงชีวิตคิดถึงความตายคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ล้วนแต่ไม่เที่อะไรเงี้ ย, ยคิดถึงอย่างนี้ก็ได้จิตมันก็จะสงบลงมาไม่ต้องถึงขนาดเข้าฌานก็ได้ถ้าเข้าฌานกวรจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เดี๋ยวเพีย้ยนแล้วอีกคําถามนึงก็คืออย่างการปฏิบัติในรูปแบบก็จําเป็นใช่ไหมจำเป็น จำเป็นมากนะจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปเดินจงกรมถ้าไม่เดินเดินเมื่อยล้วก็นั่งขยับตัวขยับไม้ขยับมือหลวงพ่อกระดุกกระดิกตลอดขอโทษนะกระดิกเท้าด้วยกระดิกบางทีนั่งมือต้องนิ่งๆใช่ไหมเนียข้างใต้โต๊ะนี้แอบกระดิก่กระดิกจนชินเลยแต่ไหนแต่ไเรเคลื่อนไหวมันตลอดเลย การที่ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวจะทำให้จิตไม่ลงไปแช่แต่ถ้าเคลื่อนไหวบางคนก็ต้องดูนะเคลื่อนไหวซ้ำซากจิตก็ลงไปแช่เหมือนกันบางคนไปแตะเนี้ยแต่แล้วหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะนะอยู่อย่างเงี้ยเป็นวันๆใช้ไม่ได้เลยนะต้องรู้สึกตัวนะอย่าทำใจให้ซึมซึมไม่ดีซึมเป็นชื่อของส้วมนะต้องรู้สึกตัว ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเรากระทบแล้วจิตมันกระเทือนขึ้นมาด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้แหละง่ายๆรู้กายก็ได้นะดูจิตเม่วันไหนดูจิตไม่ออกเวลาไหนดูจิตไม่ออกเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายพองยุบ เ, เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดู ตรงนี้สำคัญนะคนที่ฝึกกรรมาฐานต่างๆมารู้ลมหายใจดูท้องฟองยุบยกเท้าย่างเท้าดูอระยาบทสี่อะไรเงี้ยจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะกายกับจิตต้องแยกออกจากกันก่อนนะเรียกว่าแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปแยกนามไม่เป็นนะไปดูท้องฟองยุบก็ไปเพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนะไปขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือนะต้องแยกรูปแยกนามให้เป็นก่อน ก่อนจะเจริญวิปัสสนาต่อไปนะขั้นที่หนึ่งเลยแยกรูปแยกนามเรียกว่านามรูปอริเฉทญาณแยกรูปกับนามเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งพอแยกได้แล้วนี่ถึงจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูสิ่งใดถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราอย่างใครรู้สึกไ้มว่าอันนี้เป็นตัวเราเนี่ยไม่มีใครรู้สึกใช่ไหมเพราะอะไรมันไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่างๆมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมอยู่ห่างออกมาตั้งเยอะไงเห็นไหม หรือใครรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราก็บ้าทเท่านั้นแหละใช่ไหมไม่มีหรอกเวลาเราภาวนานะจิใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยเราจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะเราจะเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเนี่ยเหมือนอยู่ห่างๆนะเห็นกุศลและอกุศลอย่างโลบโกรธหลงนะเหมือนอยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองสิ่งใดที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยสติปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่แค่ของที่ถูกรู้ถูกเห็นเท่านั้น มันเป็นตัวอ็อบเจกติไม่ใช่ตัวซนะับเจ t i v e ถูกรู้ไปหมดเลยเพราะงั้นเราค่อยค่อยฝึกไปนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปนะเห็นจิตใจมันทำงานไปคอยรู้มันไปเรื่อยนะใจก็จะค่อยค่อยตั้งมั่นขึ้นมานะถ้าใจตั้งมั่นก็ต้องคอยดูอีกนะเดีย๋ยวไปประคองรักษาจิตที่ตั้งมั่นหลายคนพอภาวนาแล้วมีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็ไปประคองรักษาตัวผู้รู้เอาไว้นะประคองกลัวจะเป็นผู้หลงหรือบางทีมันจะไหล ใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นจิตไหลนะนั่นแหละพวกเหลวไหลนะมันจะไหลไหลไหลไปนะให้เรารู้ทันถ้ารู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตอนที่มันไหลพอเรารู้อย่าไปดึงนะถ้าดึงเนี่ยมันจะแน่นๆขึ้นมาถ้าเมื่อไหรดึงเข้ามาแล้วแน่นแน่นเมื่อไหรทําผิดเมื่อนั้นจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนไปไปดูเอากราบนะอพระคุณหลวงพ่อครับหลวงพ่อเจาคะ วันนี้เจ้าค่ะรัศ ก, กาลหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, คะก็มาสงการบ้านค่ะไปภาวนาที่วัดหลวงพ่ออารานมาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่ากลับมาจิตใจตั้งมั่นขึ้นแล้วมันก็ใจมันฟูเกินจริงมาหนึ่งอาทิตย์แล้วอะค่ะแต่ก็รู้ไปก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ฟูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นหรือว่าเราทําขึ้นมานะมันเกิดจากเราพยายามประคองความรู้สึกตัวเราประคองความรู้สึกตัวไว้ แล้วมันเลยประคองแล้วก็เลยดันขึ้นมาหลวงพ่อทํากิริยาทางกายให้ดูนะของคุณประคองอย่างนี้นึกออกไหมเออมันแกล้งทําขึ้นมานะมันแกล้งทําใช่ไมมันแกล้งทําเพราะว่ากลัวจะหลงเหรอคะเออหลงไปบ้างไปให้ก็ตอนตอนฟังหลวงพ่อเทศนะคะก็จะเห็นว่าตัวเองหลงคิดอยู่บ่อยๆอ่ะน<ๆ>ั่นแหละแล้วไม่ชอบมันไม่ชอบพอไม่ชอบมันก็จะไปประคองเขาประคองแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยนะ<อ>ปล่อยมนะันนับปล่อยมันไปเลยใจถึ ง, ถง เรียนกรรมฐานอย่า ก, กลัวกิเลสแต่ว่าไม่คล้อยตามกิเลสนะถือศีลห้าไว้ก่อนถือศีลห้าไปกิเลสมันเข้ามาที่ใจเราเนี่ยเราจะไม่ทํากรรมชั่วทางกายทางวาจาแต่ทางใจเราจะปล่อยให้มันทํางานเราจะตามดูมันไปแต่ตัวเองก็ไม่ทราบะคะ่ะว่าตัเองกําลังประคองอยู่อเออไม่ทราบไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกให้ทราบแล้วไปหัดสังเกตเอานะก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดูเล่นเล่นดูเล่นเล่น หลวงพ่อขาขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนนี่ที่หนูทําอยู่ถูกไหม อ, อะคะเอาขยับให้หลวงพ่อดูวันหลังต้องเปิดคอสปฏิบัติบ้บางอา้าวใครอยากปฏิบัติยังไงก็เชิญทําเอาเองรู้สึกไหมไปเริ่มบีบใจให้นิ่งแล้วนั่นแหะไม่เอาอย่างไง้แหละทาผิดเหมือนอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อมั้งค่มันก็เลยเบีบต้องปล่อยนะ่จะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนึกกระบวนท่าท่านไม่ออกไล่ ย, ยุ่งก็ได้อ่ ขอให้เห็นเถิดไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราเห็นด้วยสองอย่างอย่างเราเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนเห็นรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันเนี่ยรู้ด้วยสตินะถ้ามีปัญญาถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะเห็นได้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นทันทีตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะหรือเรานั่งนวดตัวเองลองรูปคลําเอ้าวรูปมือตัวเองดูนะอย่ารูปมือคนอื่นนะรูปมือตัวเองไป รู้สึกไหมมันบอกไม่ว่าเป็นตัวเรานะมันไม่พูดเลยนะว่ามันเป็นตัวเราเราคิดเอาเองว่ามือเราเห็น ไ, ไหมเนี่ยถ้าจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวเราะสัมผัสลงไปหรือเห็นมันเคลื่อนไหวเนะี่ยรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเมื่อไรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีจะรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาตัวเราเกิดจากการหลงคิดนะถ้าเรามีสติอยู่ไม่มีตัวเราเนี่ยใจลอยไปแวบหนึ่งแล้วทราบไหม แล้ประคองหนักกว่าเก่าแล้วทราบไหมไม่ทราบเลยค่ะแล้วรู้สึกไม่มีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ใช่ค่ะแล้วใจมันพองพองผิดปกติะะเออนั่นแหละไปประคองไว้แหละไ อ, อ้ตัวที่นิ่งคงที่นั่นแหละเกิดจากการประคองไว้ถ้าเราไม่ประคองไว้มันจะไม่มีตัวหนึ่งนิ่งอยู่เวลาพวกเราภาวนาคอยระวังนะหลายคนภาวนามาหลายปีเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นมีอยู่ตัวหนึ่งในเนี้ยนิ่งนิ่งนิ่งคงที่อยู่องั้นหลายหลายปีก็นิ่งอยู่อย่างนั้น อันนั้นทําไม่เป็นหรอกทํำไม่ถูกหรอกยังสงวนรักษาตัวบางตัวไว้เป็นอัตตาอยู่ถ้าปล่อยให้หมดนั่นจะเห็นเลยทุกตัวเกิดแล้วดับกระทั่งตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้เพ่งเดี๋ยวเป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวเป็นตัวผู้เผลอไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างน้อนเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่คงที่หรอกอย่าให้มันคงที่อยู่ถ้ายังมีตัวใดตัวหนึ่งคงที่อยู่ทําไม่ถูกหรอกยังติดสมถะอยู่ ถ้าอยางสงวนตัวหนึ่งเอาไว้ก็เป็นสมถะแหละเอาเชิญโยมเอาไม้หายไปไหนแล้วล่ะไหนไหนเอาเชิญเชิญหลวงพ่อครับคือในโอกาสไหนที่เราจะาต้องอยู่ในวิหารธรรมเช่นเช่นอย่างเรามาฟังหลวงพ่อวันนี้เ ร, เราต้องหยุดหรือไม่ รู้สภ า, าว่าทำตามที่หลวงพ่อแนะนําไม่ได้อย่างเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ถ้าเมื่อไหรเราฟังให้รู้เรื่องนะรเราก็จะรู้เรื่องที่ฟังเวลาเรารู้เรื่องที่ฟังความจริงเรารู้เพราะคิดยอมสังเกตออกไหมเราฟังไปคิดไปนะเมื่อไร่เราไปฟังเอาคิดเอานะเรียกว่าเราไม่ได้รู้สึกตัวขนาดนั้นเรียกว่าเรียนปริยัตไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าหากจะฟังในเชิงปฏิบัติอย่างเวลาเราเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์วัดป่าอย่างนี้ท่านให้เรานั่งสมาธิไป นั่งภาวนาของเราไปแล้วท่านก็เทศไปเรื่อยๆเวลาธรรมะอะไรมันถูกใจเรานะเราถึงจะขึ้นมารู้ทีหนึ่งนะเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็รู้อยู่กับวิหารธรรมของเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างถ้าโยมเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมก็ดูไปเรื่อยๆแต่รู้แบบเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะอย่างเรารู้ลมไปแล้วจิตเราเคลื่อนเราก็รู้จิตเราไปไหนเราก็รู้อย่างตอนเนี้จิตของโยมไ ป, ไปไปคิดลนะจิตมันไหลไปคิดเนี่ยเราก็รู้เอาเนี่ยฝึกเวลา ฟังอัตมาเทศนะ์ไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องก็ได้ฟังแล้วก็นั่งดูจิตตัวเองไปเลยอย่างนี้เรียกว่าฟังในเชิงปฏิบัตินะแล้วเวลาธรรมะอะไรที่มันจิตมันสนใจน้ำจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเองนะแล้วอย่างอีกนิดหนึ่งครับเรามีวิหารธรรมสองอย่างได้ไหมเช่นว่าบางโอกาสก็ใช้บริกรรมบางโอกาสก็ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็เหมือนคนมีบ้านไหลายหลังธ <c oughs> าระเยอะไปหน่อย แต่ว่าถ้าจิตมันชอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปนะัเราจะมัววุ่นวายอยู่กับตัววิหารธรรมจนกระทั่งลืมงานหลักของเรางานหลักของเราคือการรู้กาย ร, รู้ใจวิหารธรรมเรารู้แบบเป็นแบ็กกราวน์เท่านั้นเองรู้เล่นๆไปเพื่อว่าไม่ให้จิตมันหลงนานมีวิหารธรรมเพื่อไม่ให้มันหลงนานอย่างเวลาบางคนหัดพุทโธไปเรื่อยมีพุทโธเป็นวิหารธรรมพุทโธพุทโธพอจิตหนีไปคิดนะมันลืมพุทโธไป พอนึกขึ้นได้ว่าลืมพุโทโธนะมันก็กลับมารู้สึกตัวขึ้นมาได้นะรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปงั้นวิหารธรรมนะี่เราก็รู้ไปเล่นๆแต่ถ้ามีวิหารธรรมเยอะเกินไปนะเหมือนคนหลายบ้านนะ่นะไม่รู้จะอยู่บ้านไหนมัวแต่วิ่งขับรถไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีนะไม่ได้พักผ่อนสัาทีแล้วแล้ ว, ลวทุกคนต้องจําเป็นต้องมีวิหารธรรมหรือเปล่าจำเป็นครับจําเป็นนะพระ พ, พุทธเจ้าสอนเยนั้น ท่านให้เอากายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมกล่าวขอบพระคุณครับกายในกายไม่ใช่เอากายทั้งกายกายในกายหมายถึงเอากายบางอย่างสุ่มตัวอย่างมาบางคนถนัดที่จะรู้ลมหายใจแม้ลมหายใจเป็นแค่บางส่วนของกายท่านะแค่รู้ลมหายใจรู้เล่นๆไปบางคนรู้อีธิยาบทสี่เป็นบางด้านของกายมองร่างกายในมุมของอีิยาบท บางคนมองในความหยุดนิ่งในความเคลื่อนไหวมองบางด้านของมันหรือมองในความเป็นก้อนาธาตุของมันมองบางด้านไม่ต้องมองทุกด้านพร้อมๆกันนะถ้ามองหลายอย่างเกินไปแล้วจะสับสนงั้นท่านให้สุ่มตัวอย่างเรียนกายในกายรู้กายบางอย่างถ้ารู้แจ้งแล้วก็จะรู้กายทั้งหมดเวทนารู้ในเวทนาก็รู้เวทนาบางอย่างพอรู้แล้วก็จะรู้เวทนาทั้งหมดดูจิตในจิตอย่างบางคนขี้โมโ oh ห ไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกถ้าขี้โมโหนะดูจิตที่โมโหไปทั้งวันมันจะมีแต่จิตที่โมโหกับจิตไม่โมโหดูอย่างนี้แหละต่อไปปัญญามันก็แจ้งจิตทุกชนิดแหละทั้งจิตที่โมโหทั้งจิตที่ไม่โมโหนะจิตที่โมโหนี่เป็นตัวแทนนีตัวแทนของจิตที่อกุศลจิตที่ไม่โมโหเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยทั้งกุศลทั้งอกุศลมีแต่เกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันเวลาแจมแจ้งนะจะแจ้งเลยว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้น นั้นเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนเชิญโยมเชิญกับผมมีคำถามสอ ง, สองข้อแล้วก็ใช่คำถามสองข้อเลยให้หลวงพ่อตอบสองข้อนะครับเมื่อเรานั่งสมาธิจะจเป็นขนิกะสมาธิเนี่ยยกข้อทำขึ้นพิจรารณาอันนี้จะถูกในทางวิปัสสนาหรือไม่อายังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่จะเป็นสมถะ การที่เรายกข้อธรรมขึ้นพิจารณาเช่นเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาอะไรเนี่ยจิตจะสงบลงมาสงบจากราคะได้สมถะโ ย, ยมรู้จักหลวงพ่อพุทธไหมหลวงพ่อพุธเมื่อก่อนก็มาเทศที่นี่นหลวงพ่อก็เรียนมาจากหลวงพ่อพุธเหมือนกั น, นท่านบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนา ข้อที่สองเมือม่อเมือม่อเมื่อนั่งสมาธิไปสักประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยเกิดอาการหาวทั้งที่ไม่ง่วงหลอดบางทีเดินจงกรมก็หาวเนี่ย อ, อันนี้จะแก้อย่างไรับก็ดูมันไปนะดูเห็นร่างกายมันหาวเราเป็นคนดูยนะมพัฒนาจากการทําสมถะนะก้าวไปสู่วิปัสสนานะอย่างถ้าเราทําไปสมถะไปแล้วเกิดอาการทางร่างกายเช่นเป็นหาวขึ้นมานะเราเห็นร่างกายมันหาวใจของเราเป็นคนดูฝึกจนกระทั่งเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมา อย่างหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านะเห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกจนเราเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมานะพอเรามีตัวผู้รู้แล้วเราจะเห็นเลยร่างกายที่หาวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเลยนะฝึกอย่างนี้นะโยมกราบขอบคุณหลวงพ่อครับคือรู้สึกช่วงนี้ปฏิบัติแล้วมันจะติดดึงนะเจ้าค่ะ คือพอเห็นความคิดเสร็จแล้วจิตมันไปดึงกลับมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเพ่งเพงตึงตึงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ม, มันรักดีมากไปรักดีหามจั่วจั่วหนักนะเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วทำยังไงดีเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องทำอะไรดูเฉยเฉนั่นแนรู้คำตอบสังเกตั้มในใจลึกๆของพวกเราผู้ปฏิบัตินะเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทายังไงจะดี ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะบรรลุมรรคผลที่ผ่านเร็วๆเราคิดแต่จะทำนะในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมให้รู้ไม่ใช่ให้ทำนะถ้าจิตมันแอบไปทำอะไรเราก็รู้อย่างตอนนี้จิตมันไปนประคองตัวเองไว้รู้สึก <c oughs> ไหมเราก็ <c oughs> เห็นเออแกประคองแต่ถ้ามันประคองอันนี้เป็นอุบายเฉพาะตัวคนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องเรียนแบบนะอันนี้เดีย๋ยวต้องขึ้นแบบตัววิ่งในโทรทัศน์ ถ้าเห็นมันประคองนะรู้ลงไปเลยนะเห็นไหมจิตมันประคองของมันเองช่วยมันพิจนารณานิดนึงนะช่วยมันคิดนิดนึงเห็นไหมแกประคองของแกได้เองแกไม่ใช่ชั้นหรอกช่วยมันนิดนึงนะแล้วมันก็จะหลุดออกมาแต่ว่าอย่ า, อาไปคิดตลอดนะไอ้นี้เหมือน ย, ยาแก้ปวดอนะไม่ปวดไม่ต้องกินแล้ววิหารธรรมที่เหมาะสมรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปนะเห็นร่างกายไปเรื่อย นำมัสการหลวงพ่อครับผมเคยภาวนาดีครับแล้วก็บทว่ามันเสื่อมครับแล้วหลังจากนั้นมันก็หนักๆแข็งๆนะครับแล้วผมก็ไปบ้านอาลีแล้วไปแล้วคุณจูนก็แนะนำว่าให้ไปดูความไม่เป็นกลางครับเราเราไปปฏิบัตินะครับแล้วผมก็ไปไปดูเราไปดูว่าตอน เ, ออเราสวดมนต์อยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่เรานี่ มันสว่างว่างเลยครับเออนั่นแหละดูเย่านี้ไปสวดบ่อยๆนะแ ต, แต่ตอนนี้ก็ยังติดๆอยู่นะครับติดติดไอ้ปฏิบัติอยู่นะครับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราครับเห็นไหมกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราติดอะไรก็เรื่องของมันสิครับหน้าที่เราก็แค่รู้เออแกไปติดเห็นไหมฉันไม่ได้จงใจจะติดเลยแกติดของแกได้เองดูมันไปอย่างนี้เลยครับทําไมตอนที่สวดมนต์แล้วมันหลุดออกมาสว่างว่างเพราะตอนสวดมนต์นั้นอ่ะไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติ ไม่ได้จงใจปฏิบัติส ว, ส, วสวดสวดเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ไปอย่างนั้นหนงสวดสวดสวดไปนะเกิดสติระลึกได้ว่าจิตหนีไปคิดนะสวดสอะรหังสัมม า, าแวบไปแล้วคนทั่วๆไปก็แวบนะไม่ใช่ไม่แวบแวบตลอดเวลาแหละแต่ไม่เคยเห็นนี่พอเราอะรหังสัมมาใจไหลแวบไปเราเกิดไปเห็นเข้าว่าจิตมันไหลไปสติเกิดทันทีสว่างว่าขึ้นมาเลยนะรู้ตื่นเบิก บ, บานขึ้นในฉับพลันนั้นเลยแล้วก็อยู่ได้ชั่วขณะ พออยู่ได้ช่วงขนาดเราก็เริ่มจำได้แล้วเ อ, อ้ยสวดมนต์แล้วดีว่ะเอาใหม่เอาเราห้องสมมติวโนะคราวนี้ไม่เกิดแล้วนะเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดขึ้นแทนสตินะมันอยาก ใ, ให้รู้ทันนะต้องเล่นทีเผลออยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับเนี่ยอุตส่าห์แน ะ, ะนะตั้งยาว <laughs> แล้วนะแค่นี้ก็ทำกันเป็นปีแล้วครับขอบคุณครับเอาไปดูเอานะดูเอา เห็นร่างกายมันไปเพ่งเห็นร่างกายมันทํำอย่างน้นอย่างนี้เห็นจิตใจมันไปเพ่งเห็นจิตใจทําอย่างน้นอย่างนี้กลับสะมาสัการหลวงพ่อค่ะก็คือฟังซีดีหลวงพ่อดังๆนี่เถอหลวงพ่อแก่แล้วฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ดูดูกิเลสอยู่เนืองๆอะค่ะก็ก็ดูบ่อยๆอะค่ะแต่ว่ามันก็หลายทีที่มันก็ยังถูกครอบงำอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะรู้แล้วอ่ะค่ะ เลยอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะดูมากๆนะดูไปเรื่อยๆทีแรกเราก็จะสู้กิเลสเบาๆได้กิเลสแรงนะก็ยังถูกครอบงําอยู่ต่อไปเราเห็นนะพอกิเลสเกิดขึ้นทีไรกิเลสครอบงําจิตทีไรนะความทุกเกิดทุกทีเลยกิเลสนําความทุกมาให้นะใจไม่ค่อยอยากยุ่งกับกิเลสแล้วเห็นแต่ทุกเคยมีนะมีคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศไปกับหลวงพ่อแหละตอนนั้นไปไหนไปด้วยกัน หาครูบาอาจารย์วันนั้นไปหาหลวงพุทธเทศน์ไปถามท่านบอกหลวงปู่ครับทํายังไงผมจะละกามได้เนี่ยจะเอาผ้านาคาละจะละกามทำยังไงผมจะละกามได้นใจมันยังอาลัยอาวรณ์อยู่หนะลวงปู่ได้ยินแล้วหลวงปู่อุทานเลยอ้าวอาลัยอาวรณ์มันก็ไม่ได้สินะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นมาครอบงําจิตแล้วนะั้นะเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเนี่ย เห็นว่าเห็นมันมีทุกข์มีโทษนะจิตถึงจะไม่เอาแต่ว่าระวังจิตจะไปเกลียดกิเลสเข้าอีกพอไม่เอาไว้ก็จะไปผลักมันเราไม่ดึงไว้เราไม่ผลักมันปล่อยให้มันผ่านมาผ่านไปอย่าคล้อยตามอย่าต่อต้า น, นคล้อยตามกิเลสก็ถูกมันหลอกออกไปไปทํากรรมชั่วต่อต้านมันนั้นก็เหน็ดเหนื่อยให้รู้มันไป บางคนภาวนานะเคย อ, อ่านนิทานอิศบอกไหมคนรุ่นนี้มีไหมเรื่องต้นอ้อ ก, กับต้นใสอ่ะต้นไม้เล็กๆนะถูกพายุพัดไม่ล้มต้นไม้ใหญ่ๆถูกพายุพัดแล้วล้มเพราะจิตมันไปต้านลมนะจิตมันต้านกิเลสเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้านลมนั้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นนะเราดูมันเป็นใจเย็นๆดูซิเธอจะอยู่นานแค่ไหนอย่าไปเกลียดมันนะถ้าเกลียดเมื่อไหร่ต้านเมื่อนั้น ดูลงไปเล่นๆ เ, เราจะเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปเห็นไหมกิเลสสอนธรรมะเราแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปสอนธรรมะเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วให้สอนให้ทําอกุศล น, นะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตมีอกุศลในขณะนั้นและเกิดกุศลเรียบร้อยแล้วนั้นบางคนเข้าใจผิดบอกว่าหลวงพ่อสอนให้มีอกุศล น, นั้นพูดตามใจกิเลสละหลวงพ่อสอนให้รู้ว่าอากุศลมันเกิดขึ้นมา ถ้าเรารู้ว่ า, ากุศลเกิดขึ้นขณนะนั้นมีสติขณะดใดมีสติขณะนั้นเป็นกุศลได้บุญด้วยซ้ำไปไม่มีนะครูบาอาจารย์อะไรสอนให้ตามใจกิเลสไม่มีดอกกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี้เป็นยังไงนะคะหลวงพ่ อ, อไม่ค่อยจะรู้<ม>ตัวเองอะ<ม>ไรมีโคดบอกหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าโยมมาถามแบบนี้ให้โยมพูดสักประโยคหนึ่งก่อน ก็ อ, อยู่ๆหลวงพ่อตอบเลยนี่มันดูน่าเกลียดเขาบอกพูดอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้อ่าเล่าไปคือพอดีพอดีก็จะมีช่วงหนึ่งที่ที่ป่วยนะคะหลวงพ่อแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนก็ก็จะดูมันไปเรื่อยๆก็ๆก็รับรู้การปวดแสบปวดร้อนนะคะแต่ว่านอกจากเวลาป่วยแล้วก็จะมีได้มีการแบบนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างแต่ก็รู้สึกว่าหลุดบ่อยอื ก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วก็เวลาเจ็บป่วยนะก็ดูไปใครมันป่วยกายมันป่วยหรือจิตมันป่วยนะค่อยๆดูมันไปแยากกายแยากจิตไปเรื่อยๆร่างกายมันป่วยนะจิตไม่เคยป่วยด้วยหรอกแต่ถ้าจิตไม่พอใจที่กายป่วยนะจิตจะป่วยไปด้วยนั้นะจิตเป็นกลางเห็นร่างกายมันป่วยไปดูมันไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปนะรู้เล่นๆแล้วไม่ทราบว่าอย่างที่ผ่านๆมาพอใช้ได้แล้วนะแต่ตั้งใจแรงไปนิดนึง แรงไปนิดเดีย ว, นะลวคลายคลายออกรู้สึกไหมตอนนี้แข็งเกินไปก็ก็เป็นบ้างกันแล้วป ล, นะปล่อยปล่อยนะปล่อยซะให้มันสบายรู้เพสบายสบายคล้ายๆว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วเราดูไปเรื่อยๆอย่างไั้ น, นใช่ไหมค่ะหลวงพใช่เราเป็นแค่คนดูอะไรจะเกิดนะถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดแต่ถ้ามันมีเหตุนะแล้วเราไม่อยากให้เกิดมันก็จะเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ ดีมีเพื่อนที่เขาป่วยหนักคือเหมือนกับว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุใหญ่เลยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ก็เจ็บมากแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าทำไมคุณไม่แยกกายแยกจิตเลยอยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเวลาเราเจอแบบนี้กับตัวเราเองเลยเนี้ยเราจะแยกกายแยกจิตยังไงเราต้องซ้อมไว้ก่อนที่จะป่วยถ้าถ้าป่วยแล้วจะมาแยกกายแยกจิตไม่ได้หรอกต้องแยกจิตออกจากกายเอากายไปเผานะ <laughs> มันเหมือนคนตกน้ํานะพอหล่นน้ําตุ้มไปแทนที่เพื่อนจะช่วยเพื่อนก็บอกทำไมแกไม่ไว่ายน้ําว<อ>ะก็มันว่ายไม่เป็นนะ่ะะงั้นก่อนจะตกน้ําก็ต้องหันหว่ายน้ำให้เป็นเสีก่อนนะก่อนจะป่วยหนักก่อนที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาชีวิตที่รุนแรงเช่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างรุนแรงอะไรเงีนะ้ยต้องฝึกจิตของเราไว้ก่อนนะจนจิตเราไ้ลนะนะภาวนาเป็นเข้มแข็งแล้วเวลาเจอปัญหาใดๆขึ้นมามันถึงจะสู้ไหว แล้วก็คนที่ป่วยหนักสู้ไม่ไหวจริงๆนะถ้าจะตายจริงๆนะทำอะไรไม่ไหวแล้วจริงๆนะพุทธโธไปเลยคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดเลยว่าเราขอเอาร่างกายอันนี้นะเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเลยขอสละร่างกายนี้ลนะจะอยู่หรือจะตายก็แล้วแต่นะขอถวายเป็นพุทธบูชาเราจะใจของเราจะอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวเลยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไปที่ศรีราชาที่วัดหลวงพ่อ หลวงพ่อจำหน้าไม่ได้แล้วเข้าไปวันเสาร์หลวงพ่อก็สอนเขาอย่างนอู้นอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเขาบอกให้เนี่ยถือว่าร่างกายเนี่ยขอถวายพระพุทธเจ้าไปจะจิตใจเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปพอมาถึงวันจันทร์ใช่ไหมถึงวันจันทร์มาใหม่นะหน้าตาเปลี่ยนมาเลยสดชื่นแจ่มใสามานะมะเร็งก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะแต่จิตใจเนี่ยสดชื่นมาเออพอจิตใจมันไม่กังวลถึงร่างกายนะ ร่างกายก็ดูแข็งแรงขึ้นจิตใจก็สดชื่นขึ้ น, นเพราะงั้นรักษาจิตไว้ ร, ร่างกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอที่เขาจะต้องรักษาไม่ใช่หน้าที่เราละหน้าที่ของเราต้องรักษาจิตของเราเองเพราะหมอรักษาให้เราไม่ได้หมอยังรักษาจิตหมอไม่ค่อยไหวเลย <นะ S 3> แล้วอย่างดิฉันนี่ควรจะมีวิหารธรรมเป็นยังไงบ้างค่าหนหลวงพอ่อท่องพุทธโธไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไว้นะค่ะ หรือไม่ไม่รู้จะทำอะไรก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะหลายคนเอาซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมนะไหนแดดมันลงตรงไหนด้วยครับครับของอ่เร่ทีมงานนี้ก็ช่วยหลวงพ่อเยอะนะไม่มีเงินเดือนให้สักหน่อยอมไม่ค่อยมีคำชมจะให้ด้วยส่วนมากดูด่าว่ากล่าวนะแต่อดทนมากนะช่วยงานมาหลายปีแล้ว ครับข อ, ขอากล่าวนามสการหลวงพ่อนะครับผมก็คือผมผมอ่านหนังสือของหลวงพ่อครับแล้วก็ตามที่ได้ดูตามหนังสือของหลวงพ่อครับมันจะมีจิตสงนอกก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองจิตผมเหมือนกับไหลออกไปข้างนอกบ่อยอืก็เหมือนกับจะใช้วิธีว่าเวลาดูเผลอครับเหมือนกับบางทีก็จะคอยถามตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ หรืบางทีก็หยิบหนังสือมาดูอะครับมันเขียนว่าดูจิตแล้วก็ถามว่าวันนี้เราดูจิตหรือยังมันจะมีวิธียังไงครับอย่อย่าไปคิดมากนะการปฏิบัติจริงๆง่ายกว่านั้นเยอะเลยเคยถูกด่าไหม<อ>เคยถูกด่าแล้วรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหม<อ>สดชื่นใครรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะง่ายกว่านั้นง่ายกว่าที่คิดเลยมีคนชมไหมว่าหล่ออะไรเงี้ยเออพอมีคนชมน่าใจเราก็พองเห็นไหม ใจเราพองเราก็รู้ว่าใจเราพองคนเขาว่านะใจเราเดือดปุดปวดเราก็รู้ว่าเดือดปุดปวดนีคนนี้ทําให้เราผิดหวังเราเสียใจรู้ว่าเสียใจเราได้อันนี้มาแบบไม่นึกไม่ฝันมาดีใจรู้ว่าดีใจฝึกอย่างนี้นะฝึกง่ายๆอย่าไปคิดมากคิดเดยอะไปครับเราขอถามอีกคาถามนึงค่ะคือถ้าเกิดมาคิดข้างในได้ใ ช, ใช้ได้ไหมครับอะไรนะหลวงพ่อเม่ถ้าเกิดไม่ จิตไม่ส่งนอกแต่ว่ามันจับให้มันไหลอยู่ข้างในอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ไ ด, ไได้จิตส่งนอกก็ใช้ไม่ได้จิตส่งในก็ใช้ไม่ได้นะจิตส่งนอกเช่นส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือส่งไปในความคิดจิตส่งในนะมันจะม้วนเข้ามาพวกติดสมถะอย่ามวลมวนมวลเข้าไปแล้วก็ไปเพ่งลึกๆอยู่ข้างในเมืนะ่อก่อนตอนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะได้ยินท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอก เราก็ม้วนเข้าไปข้างไหนไปเจอหลวงปู่ศิมนะบอกออกมานอกน่องนี่เอ๊นะเอาอยัางไงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าอย่าออกนอกนะองค์หนึ่งบอกให้ออกมานอกนอกไปเจอหลวงปู่เทศนะท่านบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางกลางพอได้ยินว่าเป็นกลางกางประคองไว้ตรงกลางนีกนะหางานทํำจนได้นะส่งนอกก็ผิดนะสรงในก็ผิดประคองไว้ตรงกลางก็ผิดท่งนอก เป็นกามสุขัาลิการุโยกท่งในเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกนะประคองเอาไว้ตรงกลางก็เป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกเพราะงั้นจิตเราไหลไปข้างนอกให้รู้ทันจิตม้วนเข้าไปข้างในให้รู้ทันเห็นไหมมันไปข้างนอกเองมันม้วนเข้ามาเองอย่าไปดึงมันเข้ามาถ้าเห็นจิตออกนอกแล้วเราไปดึงเข้ามาเนี่ยจะส่งในไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ส่งไปไหนเลยรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้อยู่ปัจจุบันนะอย่าส่งไปเที่ยวเล่นนะ ข้างนอกก็ไม่เอาข้างในก็ไม่เอาตรงกลางก็ไม่รักษาไว้การถามตัวเองนี่มันเป็นการจงใจใช่ไหมครับมันจงใจให้รู้ไปว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ลงไปเลยจิตมันฟุ้งซ่านแล้วมันคอยมาหาคำถามคำตอบนะยกตัวอย่างที่หลวงพ่อบ้าตะเกียคนเข้มาดาเราเราโกรธใช่ไหมความโกรธเกิดขึ้นเรามันต้องมาถา ม, มโกรธหรื อ, อยังเนี่ยโกรธหรื อ, อยังนะไม่ต้องถามเห็นหมมันรู้เอง นะถ้ายังถามหาคําถามคํำตอบอยู่ให้รู้เลยจิตฟุ้งซ่านไปนะอ้วเชิญต่อไปครับหลวงพ่อครับครั้งแรกหลวงพ่อ แ, นะแนะนําว่าผมติดประคองนะครั้งที่สองเน่ยบอกว่าจิตฟุ้งผมมึนศรีรษะนะครับแล้วก็หลังจากที่นั่นก็อาการก็ดีขึ้นแล้วก็มีเกิดปีติครั้งหนึ่งนานประมาณครึ่งวันนะครับครั้งนี้อยากถาม ขอกาแนะนําหลวงพ่อเพิ่มเติมครับของโยมเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะต่อไปนี้เราปล่อยใจให้เป็นธรรมดาธรรมด า, านี่แล้วดูเขาทํางานไปเรื่อยเดียเด๋ยวเขาสุขเดียดเด๋ยวเขาทุกข์เดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาไร้ปล่อยให้เขาทํางานไปนะใช้ได้ครับกล<ร>ับกลับก็คุณครับหลวงพ่อครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะคืออันหนึ่งก็เพ่งเอาไว้อันนึงก็หลงไปหลงไปก็ฟุ้งซ่านไปเพ่งเอาไว้นะก็บังคับไว้เพ่งเอาไว้ก็ไม่มีไตรลักษณ์หลงไปก็ลืมกายลืมใจไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ เลอไปแล้วนะเนาะเลอไปแล้วบังคับไปแล้วทราบไหมปล่อยนะปล่อยให้หมดเลยรู้ลเล่นๆสวมหัวใจเด็กไว้ใครลืมไปแล้วว่าตอนเด็กๆมีความรู้สึกยังไงสวมหัวใจเด็กไว้นะหัวใจเด็กซื่อๆมีของเล่นก็ดีใจใช่หไหมถูกตีก็เสียใจอย่างเงี้ยแข่งขึ้นแข่งลงพอเป็นผู้ใหญ่ต้องวางฟอร์ม เป็นนักปฏิบัติยิ่งวางฟอร์มมากกว่าคนทั่วๆไปหลายเท่าเลยคนเขาด่าก็ต้องสำรวมต้องไม่โกรธนะโกรธไม่ดีทำอะไรก็ต้องให้ไม่เหมือนคนธรรมดาปล่อยมันนะปล่อยแต่ว่าอย่าผิดศีลเท่านั้นปล่อยแล้วเราดูจิตมันทำงานไปซื่อๆ ซ, ซ, ซื่อต่อตัวเองอย่าหลอกตัวเองนะกรรมนักการหลวงพ่อครับเมื่อหลายเดือนก่อนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อ บ, บว่าผมปุงแต่งสติอะครับ ตอนนี้เห็นแล้วว่าที่มันแต่งจริงๆคือมันปรุงด้ทิฐิอะครับเพราะว่าก่อนไปตั้งใจว่าเวลาเราเห็นแตรลักษเนี่ยต้องเห็นมุมเดียวแต่จริงๆจิตเนี่ยมันเห็นไตรลักษทั้งสามองค์้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์หนัมีถ้ามันมีสติมันจะไปเห็นความเกิดดับแต่ถ้ามันมีสมาธิมันจะมีลักษสองลักษณะครับคือลักษณะแรกมันจะตามรู้ตามเห็นมันจะมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับการเห็นการเกิดดับะครับ แต่มันจะไปมองสภาวะการเกิดและตั้งอยู่แต่ทุกครั้งจะไปมองการดับส่วนอีกศาสรหนึ่งคือจิตนี่จะแยกออกมาเลยจะมองจะมองเห็นสภาวะนี่เกิดทํางานของเขาไปโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวส่วนถ้าจิตนี่มีปัญญา ส, ม, สมบูรณ์จะอาศัยอาศัยการเกิดของสัตว์นาที่ตุนี่ครับแต่ว่าจะตัดตรงนั้นขาดทันทีเลยบอกว่าเนี่ยไม่มีควมามความเป็นตัวตนในขณะที่มันตัดเนี่ยครับมันไปตัดความตัวตนก็คือตัดความปรุงแต่ง ความปรุงแต่งเนี่ยเป็นสุดยอดของความเป็นตัวตนเมือ่อความปรุงแต่งขาดปุ๊บวามเป็นตัวตนจะขาดลงทันทีทีนี้การที่จะไปตัดความปรุงแต่งเนี่ยก็ต้องยอมรับต่อการปรุงแต่งก่อนว่าจิตทั้งหลายเมื่อมีสาภาวะใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมาของมันเองมันเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นตาทัตตาอย่าไปจงใจตัดก็แล้วกันนะบางคนที่พลาดที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าอ่ะบางคนจงใจตัดอะไรเกิดขึ้นไม่เอาไม่เอา เสร็จแล้วจะเอาความไม่มีอะไรจะเอาความไม่เอาอะไรอ น, นั้นผิดเลยนะครับของคุณรู้ลงไปครัว่า <c oughs> จิตจิตจริงๆของตัวมันเองเมื่อเวลามันโดนความปรุงแต่งขาบไปแล้วเนี่ยจิตมันจะสงบนิ่งแล้วก็ว่างมันจะไม่มีความปรุงแต่งอยู่ในนั้นเลยไอ้ว่างอันนั้นยังเป็นว่างปรุงแต่งอีกอันหนึ่งยังไม่ใช่ว่างจริงนะครับเป็นว่างที่ยังคู่เข้าคู่กับความวุ่นวายอยู่อ <aurus. S 2> ของคุณจเจริญสติให้มากๆนะแล้วก็ลดความตั้งใจลงนิดนึงนะครับ ลดปัญญาลงนิดหนึ่งปัญญาล้มไปเข้าไปพิจารณานั่นแหละปัญญามันล้าหน้าครับพอปัญญาล้าหน้าเนี่ยมันจะไม่ตัดไม่ตัดจริงแต่มันจะอยู่ๆมันก็ดับไปชั่วคราวนะเราก็อิ่มออิ่มใจสบายใจรู้สึกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอพอมันรู้สึกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปนี้มันจะไม่ยอมดูแล้วมันจะไม่ยอมรู้กายรู้ใจมันจะขี้เกียจเลยครับเออนั่นแหละทําผิดแล้วนะครับเออแล้วมันมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งมันดูอยู่จิตมันลอยมันแยกออกก่อนเหมือนกับครั้งแรกเลยครับมันแยกมาปุ๊บมันเห็นจิตทํางานเหมือนหนอนตัวนึ้อค ร, บรับกระดึ๊บกระดึ๊บไปหาไปหาอารมณ์ทีนี้พอมันเห็นถึงอารมณ์ปุ๊บไอ้จิตตัวผู้รู้กับไอ้ตัวเนี่ยครับมันเข้ามารวมกันนะครับอพอรวมกันแล้วมันเกิดความสุขแบบชิดมหาสะเลยครับให้รู้ไปความสุขนี่ก็ยังไม่เที่ยงอีกอครับเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสุข ไม่ได้เอาเพื่อความฉลาดรอบรู้เอาปัญญาก็ไม่เอานะไม่ได้พาวนาเอาอะไรเลยมีแต่ว่ารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปถ้าปัญญาล้ำหน้านะมันจะขี้เกียจมันจะไม่ยอมดูเกิดดับอีกต่อไปแล้วมันจะไปหาข้อสรุปเลยครับมันเหมือนคนทำเลขนะแล้วก็เ้าเฉลยข้อสอบไปแล้วอะแล้วท่องข้อสอบได้ไแต่ทำเลขไม่เป็นหรอกมันไม่หาวิธีทำเออไม่ไปไปรู้สึกตัวเอานะ รู้สึกกาย<ม>รู้สึกใจมันล้าไปครับยังดีนะคนนี้ล้าไปแล้วยอมรับนะบางคนไม่ยอมนะั้นนึกว่าเป็นพระอริยไนะไว้นละพระอริยะบางคนนะแข็งเชียฉันเป็นพระอริยะแล้ว โ, <อ>โลกว่างเปล่ากลับในมัสการหลวงพ่อนะคะไม่ทราบว่าปฏิบัติตอนนี้ถูกหรือเปล่าะคะ่ะ<อ>เหมือนติดสมาธิค่ะอ้าวพูดอะไรสักหน่อยสิก็พยายาม เนี่ยตอนนี้เอะครองเอาไว้รู้เปล่าค่ะจะจำไว้ค่ะตรงนี้ไปจับเอาไว้อย่าไปจับมันปล่อยปล่อยมันนะยังปล่อยไม่หมดปล่อยให้หมดเราเริ่มดีขึ้นมากยังคะดีขึ้นแต่ก่อนจับไว้จนแข็งเลยนะหน้าดําๆไปเลยค่ะนะตอนนี้ค่อยสว่างขึ้นมาแล้วที่ทํามันนี้ถูกนะคะหลวงพ่อดีขึ้นแล้วค่ะปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยแล้วรู้ปล่อยแล้วรู้นะ แต่ไม่ได้จงใจทํามโน้นอันนี้นะแค่รู้ไปเรื่อยๆเราควรทํากรรมฐานอะไรคะหลวงพอ่ออะไรนะรู้ ร, ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมคนที่สมาธิมากๆนะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวไหมคืนให้ไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตเชื่อค่ะขอพระคุณคะ่ะกราบนมรดกการหลวงพ่อนะคะคราวที่แล้วได้ได้โอกาสมากราบส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่า ดูถูกแล้วแต่ยังจงใจอยู่อพอกลับไปก็กพยายามไม่จงใจก็หลงหลงนานนะคะแต่หลงแล้วก็จะรู้รู้แบบเบาๆมไม่ไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนออแต่รู้สึกว่าหลงหลงไปแล้วรู้ได้น้อยลงเลยจะมาแต่ถ้าเราเพ่งไวนะ้น่ามันจะรู้ทั้งวันค่ะแต่อันนั้นใช้อะไรไม่ได้แต่พอเราปล่อยนะ่มันจะหลงไปทีแรกสติเราเกิดน้อยมันก็หลงนาน ต่อไปสติมันชํานาญขึ้นนะมันเกิดได้ถี่ขึ้นมันจะลงสั้นลงหัดดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะจะดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละต่อไปมันจะได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่ก็ถือว่าถูกใช่ไหมคะก็ดีนะใช้ได้หลวงพ่อจะกรุณาให้กันบ้านอะไรบ้างไหมกันบ้านไปดูความรู้สึกของเราออกไปกระทบอารมณ์ต่างๆนะเราดูใจที่แกว่งไปแกว่งมา แต่ตกค่าต้องทําความสงบเข้ามาบ้างนะเจ้าค่ะอย่าทิ้งเจ้าค่ะถ้าทิ้งความสงบไปเลยแล้วจะฟุ้งซ่านมากไปใจของคุณตอนนี้มันใกล้จะฟุง้งละให้รู้ไปเรื่อยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับนมาสการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาเป็นครั้งแรกอะค่ะก็เวลาหนูโกรธอะค่ะหนูจะดูเวลาโกรธแล้วมันจะรู้สึกเค็นหรือแน่น รู้สึกอะไรนะเคนหรือแน่นที่หน้าอกอะค่ะหนุทุกครั้งที่หนูโกรธหนูจะจะจับดูความรู้สึกตรงนี้อะค่ะคือหนูจะเห็นตรงนี้อะค่ะไม่ไม่ทราบว่าวถูกหรือเปล่าค่ะดูไปหนะ้ามันมีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่ว่าเราเห็นสภาวะอะไรแล้วสุดท้ายนะก็มารู้ทันจิตของตัวเองแน่นๆนี้ยังไม่ใช่จิตเปนแค่อาการของจิตเท่านั้นจิตมันเป็นต้นว่าเห็นแน่นๆน่นแล้วใจเราไม่ชอบขึ้นมายินร้ายขึ้นมานี่ให้รู้ทันยินร้ายนี่พอแน่นๆหายไปโล่งๆแล้วเรายินดีให้รู้ทันที่ยินดีเนี้ อย่าไปวุ่นวายกับไอตัวที่แน่นๆไม่ต้องไปหาทางแก้ไอตัวที่แน่นแตัวที่แน่นแเป็นวิบากเป็นผลจากการกระทํากรรมของจิตเป็นผลที่เกิดจากการทําครั้งก่อนๆมาแล้วเช่นเราไปจงใจบังคับตัวเองขึ้นมาจะแน่นขึ้นมามก็จะต้องแน่นไปช่วงหนึ่งแต่ว่าพอมันแน่นแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ชอบนี้นะในที่สุดใจจะรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางจะเป็นกลาง ค่ะแล้วเวลาอย่างเช่นเวลาเราเผลอคิดเนี่ยหนูหนูจะชอบใช้วิธีการกับว่าเอสักพักหนึ่งก็จะเอาจิตมาแตะที่ตรงนี้ของตัวเองค่ะแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ปล่อยมันคือแตะแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็ล่ะเราทําเพื่ออะไรเหมือนกับจะเตือนตัวเองไม่ให้เผลอมากไปให้รู้ทันว่าขณะนั้นจิตฟุ้งซ่านเรียบร้อยแล้วนะหา ง, งานทำํำละตรงที่เราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วนะ เสร็จแล้วเรามาแตะไว้หน่อยบางคนไม่แตะบางคนก็คิดหนอคิดหนออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หา ง, งานทําเหมือนกันให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่าไปปรุงแต่งให้รู้ความปรุงแต่งให้รู้ทันความปรุงแต่งนะแต่เราไม่ปรุงแต่งอะไรรู้ซื่ อ, อแล้วหนูต้องขอคำแนะนามมาค่ะดูบ่อยๆไปฟังซีดีนะแล้วปล่อยจิตให้ทำงานยังติดคุ้นเคยที่จะบังคับจิตอยู่ปล่อยไปขอบคุณค่ะ หมดแล้วด้วยกมาการหลวงพ่อคะอ่ะ อ, อยากเรียนกลา บ, บเรียนหลวงพ่อว่าจากการปฏิบัติขนาดนี้นะะจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็กังวลกังวลไปหมดเลยนะคะแล้วก็บางครั้งก็ใจก็วิวๆิวเลยกบอยากกลาบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะที่โยมฝึกน้ำมันพอจะใช้ได้แล้วโยมเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเราดูเหมือนเห็นคนอื่น เห็นคนอื่นวิววิวเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านดูมันดูคนอื่นไปด้วยที่ยมฝึกอยู่ใช้ได้แล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยใจมันตื่นแล้วก็ดูไปมีว่างอีกหนึ่งคนครับครคุณพี่คนนี้ผู้ชายตรงกลางนี่ชูมืออยู่นะฝดีเวลาเหลือครับเวลาเหลือเพราะหลวงพ่อเทศสั้นลง นะที่เทศสั้นลงประเทศไปเยอะแล้วไปฟังซีดีก็ได้เนาะแต่การตรวจการบ้านอนะไม่ค่อยมีใครเขาตรวจให้หรอกนะบางคนอยากจะฟังเยอะๆไม่อยากตรวจกันบ้านไม่อยากฟังส่งกันบ้านนะเป็นสิ่งซึ่งหาฟังได้ยากนะกาบนมัสการหลวงพ่อนะคะเคยฝึกปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอมานะคะของยุบสิพองยุบค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ไปฝึกแบบดูลมหายใจ ก็จะทำทั้งสองอย่างอะตอนนี้ทีนี้ก็ฝึกสติไปด้วยอยากอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติเพ่งไปหรือเปล่าคเห็นเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนิ่งๆทื่อๆเห็นไหตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วดีขึ้นสิแต่ก่อนเราไปดูท้องพองยุบเราก็ไปดูแบบสมถะจิตเราลงไปแนบอยู่ที่ท้องถ้าจิตลงไปแนบกับตัวอารมณ์นะเป็นสมถะทั้งหมดเลยจำไว้นะทุกคนนะ ถ้าเราไปจิตมันไปรู้อะไรแล้วลงไปแนบอยู่กับสิ่งนั้นนิ่งๆอยู่กับสิ่งนั้นนั้นสมถะทั้งหมดบางคนรู้ลมหายใจแล้วจิตแนบอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะบางคนดูท้องพองยุบจิตไปแนบอยู่ที่ท้องเป็นสมถะค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้ปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้สติพยายามตามรู้แล้วก็จะกลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้ถูกไหมคะถ้ามันกลับมาเองไม่เป็นไรกลับเองไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจงใจกลับมาก็ให้รู้ว่าจงใจค่ะเรามีอะไรจะต้องปรับปรุงดูให้เป็นธรรมชาตินะ ดูเล่นเๆไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าเออช่วงนี้จเจริญช่วงนี้ก็เสื่อมเดี๋ยวก็จเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมผู้ปฏิบัติทุกคนนะไม่ต้องตกใจไม่ว่ามือระดับไหนภาวนาแล้วก็จเจริญแล้วก็เสื่อมคนที่พ้นจากความจเจริญและเสื่อมมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นถ้ายัางไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยการภาวนาก็จะเห็นเลยมีแต่จเจริญแล้วเสื่อมสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นเลยบางวันนะสติเกิดทียิบเลยใจก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะ เกิดปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์โลกนี้ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนคําว่าว่างเปล่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรคําว่าว่างเปล่าหมายถึงว่างจากความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรเลยหลายคนเข้าใจคําว่าว่างผิดนะว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากขันเนี่ยถ้าเป็นน้ํามาภาวนาไปมันว่างๆขึ้นมาก็รู้ไปเดี๋ยวก็เสื่อมอีกนีไม่ได้ฝึกเอาความว่าง แต่ฝึกให้เห็นเลยจิตจะวุ่นวายหรือจิตจะว่างก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจิตจะมีสติหรือจิตจะขาดสติบางช่วงไม่มีสติเลยบางช่วงภาวนาเนเหมือนมรรคนิพพานมาอยู่ต่อหน้าแล้วขาดอีกนิดเดียวก็ถึงละบางช่วงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นไม่รู้จะภาวนายัางไงเลยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ่นะไม่ต้องตกใจนะเวลามันจเจริญแล้วเราดีใจให้รู้ว่าดีใจ เจริญขึ้นมารู้สึกเอออีกนิดหนึ่งความโลภเกิดแล้วให้รู้ว่โลภพอมันเสื่อมไปเสียใจให้รู้ว่าเสียใจนี่ให้รู้ทันตัวเองไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายสภาวะจิตตอนนี้เป็นยังไงคะเพ่งไหมคะเพ่งไว้นิดหน่อยนิดนึงนะะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะแต่ที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งหลวงพ่อเสียดายพวกเราฝึกกรรมฐานกันมากมายแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมาเป็นการฝึกเพ่ง ร, รู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องพองยุบ ก, ก็เพ่งท้องเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าก็เพ่งเท้ารู้อีดียาบทสีเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยขยับมือก็เพ่งมือไปดูเวทนานะก็ไปนั่งจอง้องเมื่อไหร่เวทนาจะดับไปดูจิตก็จะเพ่งให้มันว่างรวมความแล้วไปแทรกแสงทั้งสิ้นเลยแทนที่จะตามรู้มันไปให้ตามรู้เอานะมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูอย่างนี้เรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอก มีแต่รูปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นเลยวันใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีจิตยอมรับอย่างแท้จริงนะวันนั้นแหละเป็นพระโสดาบันโสดาบันไม่ใช่นั่งภาวนาแล้ววูบอย่างเงี้ยบอกเป็นพระโสดาบันนะวูบทางนี้อีก ท, ท, ทีหนึงนะได้ส ก, กิทาขาแล้วนี่หลวงพ่อเพิ่งเจอคนหนึ่งนะเมื่อเดือนกุมภาได้โสดามีนาได้ส ก, กิทาคาเมษาได้อนาคานี่พฤษภาคงเป็นพระลราหันไปแล้วนะ ได้หมดทุกอย่างเลยขาดสติเท่านั้นแหล <c oughs> ะพอสมควรครับก็ฟังธรรมมาพอสมควรนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาในทานที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายนะครับข้า <c oughs> พเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย <c oughs> เครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาแลนานเทินยถาวาริวหาปูราภริปูเรนตีสะขรังเอวเมวัยโตทินังเปตานางอุปกะกปติอิทธิตังปฏิตังทุมหังฮิปมเม ว, วาสมิจตุสัเ พ, พปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถามณิชโชติรโสยถาสัพพีตโยวิวัตชันตูสัพรโรโควินาสตู มาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปั จ, จายิโนจตตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระหลังภาวนานะจนธรรมะมาอยู่ในใจเราธรรมะจะคุ้มครองเรา